นับแต่วันเกิดมาจนกระทั่ง บ, บัดนี้ทุกอุิยามบทความเคลื่อนไหวของเรามีแต่กิเลสเป็นที่มีอำนาจออกนั่งออกตาชุดหน้ากวาดแกล้งกายมาจางใจของเรา มันตึงไปตามหไหวไปตามอยู่ตลอดเวลามีวันแล้วแต่อำนาจของฝ่ายต่ำซึ่งกำลังครองหัวใจยอยู่เวลามันนักแต่เรื่องแรกมืบรรทึกมาเราพูดในยุงปัจจุบันของชาตินี้จนแบบนี้แล้วไม่เคยมี ทรมาเรืองอำนาจวาดรันหัหนแหลกกับกิเลสให้แต่ก็จะกระจายไปจากใจของเราครงท่ามีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้งเรืองอำนาจบาดปิดบาทใจไม่รับความกระทบกระเทือนผล ที่เป็นที่รวมลงก็คือความทุกข์ร่างกายไม่เป็นทุกข์กาเป็นตัวทุกข์เป็นเรือนของทุกข์รังของทุกข์ครังของทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีบกบันผลที่เก่ามาเป็นทุกข์เป็นทุกข์เหล่านี้ล้วนแล้วจะมาจากที่เหลทั้งหมดไม่ได้มาจากฐาน เพราะทำยังไม่มีอำนาจพอที่จะขับไล่เหตุแดนกิดทุกข์นั้นให้เบาบางลงไปพวกยังไม่มีวันเบาบางจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจะเคลื่อนไหวไปมาในภกชาตหนึ่งหนึ่งเพื่อเอาตัดียาใดาๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของทิ่ เ, เป็นผู้ถุดผู้ไล่ เป็นผู้บังคับขู่เข็นโดยที่เราเองไม่รู้สึกตัวเลยทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงควรเห็นโทษของมันแล้พยายามที่เพ่งขวนขวายทางความภาคเพียนันเป็นวิธีการต่อสู้กันเพื่อแ้ะงับดับทุก เป็นเนื่องมาจากกิเลศค่อยเบาๆลงไปและดับไปด้วยความภาคเปลี่ยนในบ้านธรรมะของเรามีธรรมะเท่านั้นเอ็นคู่ต่อสู้กันได้กับกิเรศไปนำกิเลสมาต่อสู้กับกิเลศก็เหมือนกับเทือดไปเสริมไป่ห้มีพลังรุนแรงขึ้นเท่านั้น การต่อสู้กับพิเลสทุกๆุประเภทยาได้ทาด้วยความปรมกักนอนใจยาเอาวันคืนปีเดือนกระถามที่นั่งที่นี่อันเป็นคนมายาของพิเลสมาหลอกลวงให้นอนใจมาาค่อยทําเวันนั้นค่อยทำในวันนี้ค่อยจะทํกระถามที่นั่งค่อยจะทําในฐานที่นี่ค่อยจะทําในวนัยนั่งวัยนี้ เวลาเ้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นเหล่านี้ด้วนแล้วตงแต่เป็นกลมายาของกิเลสทั้งหมดที่ฉุดลากเราออกจากทางดาเนินเพื่อปราบปรามมันโดยต่อเดียวการที่จะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสเหล่านี้ได้ดี <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะพอทราบได้ <c oughs> นอกจากสภาวิรยิยสปิสมาธิ อันเป็นเครื่องมือสำคัญมีใครเรียกว่าเครื่องมือคือถรรจ้าสามารถยังทราบเครื่องของจิเหลสไปได้โดยลำพั <c oughs> งการเกิดตายแต่ตละครั้งนะครั้งก็เหมือนกับกับเอาทุกข์เผาเรา แต่ละครั้งแต่ละหนหรือเอาไฟเผาเราแต่ละครั้งระหง น, นั่นแหละข้างใดที่เป็นครั้งที่เราเคยกินต่อไปต่อความร้อนนั้นนั้นไม่ปรากฏเผาเข้าที่ที่ใดจุดใดอายอวัยวะส่วนใดต้องร้อนไป ต, ตามๆกันไม่เลือกว่าวายะส่วนใหเป็นของกินชามได้เมื่อไ ไม่มีความสินชาได้เลยขึ้นชอวะทุกแล้วอพราการเกิดตายมากี่พบกี่ชาติก็คือการได้ถูกไฟเผามาแล้วเท่านั้นไฟคือกองทุกข์าคัตกินาตัวสักกีนามนหกีนาเผาจิตใจเป็นหลักใหญ่มาแล้วดยกันจึงไม่ควรที่จะนอนใจในการตะเกียบตะกายตัวเองออกจากฟืนจากไฟดังที่กล่าว น, นี้ คำว่าพุธทธังธรมังแท่งนังข้าามขอให้ทุกๆทำคำหนึง่งถึงพระพุธทธเจ้าถึงพระสงฆ์สาวกผู้รื้อฟื้นทำให้ปรากฏพระจา่างแจ้งที่ดวงพระทัยและดวงใจด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่มีกองทุนใดจะ เกินกองทุกในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนั่นเลยเราพึงคำนึงถึงท่านถึงปฏิปฏิปทาของท่านอยู่เสมอเป็นสักขีพยานและเป็นเพื่องชักจูงจิตใจของเราให้มีใจใจและมีกำลังที่จะต่อสู้ฟาดันกับสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทั้งหลายได้าจากกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัว ใ, นวใจนี้ โลกกว้างแคบอย่าไปพาดอย่าไปเดาอย่าไปหมายโลกใดก็าตามพบใดก็าตามกำเนิดใดก็าตามเพื่อนิวากิเลสผิดขึ้นมาแล้วต้องมอบทุกหรือจับทุกยัดใส่ในหัวใจดวงนั้นพบนั้นกำเนิดนั้นมากน้อยจนได้ไม่สนใจด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนผู้ที่ควรจะหลุดพ้น แต่ได้ดูสิ่งเชิงให้ตกท้างอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิของคพื่นของใจเตีอบปนอยู่ด้วยทั้งนองรงสอนยำลงถึงจุดหมาตปลายทางที่จะสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้แก่บุญพุทธิภาณ์นี้โดยไถ่เดียว <c oughs> ดังท่านสอนพิกสุบบริสัทแต่พราะอย่างยิ่งในบทที่ท่านสอนนั้นเป็นบทธรรมท่านเอง องใดก็ตามเมื่อบวชเข้ามาแล้วสอนให้พิจารณาจุดสําคัญที่เป็นเครื่องรัดลึงของจิตและเป็นจิตและเป็นจุดที่จิตมีความรักให้ชอบใจทั้งหวนมากที่สุดจิตสงหวนมากเพียงไรคือเรื่องของกิเลสมากอย่งางนั้นท่านจึงสอนให้คลี่คลาให้เปิดออกในจุดที่กิเลสมันสร้างตัวอย่างนั้นด้วยความรักสงวน เป็นกายเป็นสังาตยานขึ้นมาว่าเตยสารูมานักขาทาตาตะโตกเนือจุดที่ที่เดช ร, รวมตัวรวมอยู่ที่นี่ออกมาจากใจก็มารวมตัวอยู่ที่นี่สชิงอื่นยังพอทำหน่สมรบสิ่งของหรือจัดปริวันยากมิจหายเพื่อนสมต่างๆยังมี เวลายึดมีเวลาปล่อยวางมีเวลาหลงหลือทำไปได้รับสมบัติทรองก็เหมือนกันเพราะเป็นของนอกกายส่วนร่างกานี้มันสังจมอยู่นี้ตลอดไปเลยไม่ว่านับตื่นลืมตาอะไรจะลึอกอะไรได้หรือไม่ได้ก็าตามแต่ความปีกันว่าอย่างแนบสนิทติดกัเป็แนแยกไม่ออกก็คือระหว่างอุปทาน ที่เกิดมาจากใจความยึดถือกับร่างกายหรือกับขันทั้งห่านี้นี่ติดแนบกันอย่างสนิทไม่มีเวลาพักผ่อจากกันเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ทำเข้าไปความมืดไม่เห็นตามความจริงนั้น คือ เ, เรื่องของวิเล่ความสว่างเพื่อสองให้เห็นตามความจริงนั้นคือธรรมเริ่มตั้งแต่พิจณานะเสาโลมานะะักขานิงตาแต่โตจะเป็นอวัยวะเพืออาการใดก็าตามขอให้เป็นที่ถนัดใจเถิดเมื่อพิจารณาจับจุดใดแล้วจะเกี่ยวโยงกันไนหมดทั้งร่างกายอันนี้เส่นเดียวกับไฟได้เชือ้อ จะค่อยลุกลามไปลุกยามไปเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจตรงนั้นและเข้าใจตรงนั้นเมื่อเข้าใจภายนอกแล้วก็ต้องสืนื่อเข้าสู่ภายใ น, นจนตลอดเตื้อถึงเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนสิ่งที่ปิดบงังลี้รับอยู่ก็ทนสติปัญญาที่พิจงรณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ได้ต้องขย้ายตัวออกโดยลําดับลําดับความจริงก็ย่อมจะเข้าถึงเป็นลําดับเช่นเดียวกัน ่ความยินได้เข้าถึงมากน้อยเพียงไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยกระจายตัวลงไปเหมือนกับตัดพรกําลังของมันลงไปเดยรวมมันเป็นสอนให้พิจรารณาไม่ว่าภายนอกภายในเป็นความกินด้วยกันเป็นมากเหมือนกันหมดถ้าพิจรารณาให้เป็นมากถ้าให้เป็นกิเลสก็เป็นด้วยกันทั้งภายนอกภายใน พราะธรรมมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปคิดอะไรให้เป็นกิเลสเป็นที่นมาได้จากหัวใจดวงเดียวนี้ซึ่งเป็นผู้ในาช่างเอกอันสําคัญผิดกิเลสขึ้นมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่ง น, นอนทำนี้ทํานามในหน้าที่ของตนมากด้วยเหตุ น, นี้ธรรมซึ่งรายจะผิดขึ้นมาใหม่จึงต้องได้อาศัยความพา ย, ยายามอย่างเต็มที่กําลังความสามารถเป็นหลายครั้งหลายหน ความทำนี้ทำงานก็จะค่อยปรากฏตัวขึ้นสิ่งที่ยังไม่ไม่เคยเห็นก็จะเริ่มเห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาภายในใจใ น, ในขณะที่รู้กับขณะที่จะปล่อยวางนั้นเป็นไปตามลำดับกำลังแหงความเข้าใจของการพิจารณานี่คือคือดับไฟดับวัตจักรดับที่ตรงนี้ เวลานี้มีตั้งแต่พิเลศทั้งนั้นออกลวดลายเป็นตัวข้างหมั่นรอบจิตแสดงอาการออกมาอาการใดล้วนแม้แต่เป็นอาการของจิเตอาการของความแทรกมาไม่ได้เลยถูกสลับตัดทิ้งหมดด้วยอํานาจของพิเรศประเภทต่างๆจึงตั้งนายสายความพยายามให้เป็นสติกําลังความสามารถเพื่อทํำจะได้ฉายแสงออกมามีสมาธิทำหรือสมถะทำเป็นต้น ใจที่หาความสงบไม่ได้ก็เท่ากับอยู่ในกองผืนกองใยตลอดเวลาโลกจา ก, กว้างแสนกว้างก็ไม่มีความหมายแต่มันมาปรากฏความทุกข์อยู่ที่ดวงใจของผู้ขาดคามเหลี่นี้เท่านั้นการแก้ก็แก้ลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสำคัญและเป็นจุดที่ถูกต้องแม่นำยำด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนตรงในจุดนี้อย่าไปสงสยัย ในโลกกะถ่ากว้างแทบขนาดไหนลึกตื้นหนาบางนั่นเป็นอาการเป็นวัตถุความสมมุติแต่และอย่างนัอย่างถ้าจิตไม่ไปเกี่ยวเกาะและ้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นภัยต่อใจของเรกสําคัญที่ใจมันคิดมันผิดตัวเองอยู่ด้วยหน้าของพิเลสเป็นผู้บงังคับบัญชานี่เป็นของสาคัญผิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนแม่ทํานึงถึงความลึกตื้นหนาะบางอย่างละเอียดของผู้ผิดนั่นแหละมันเต็มอยู่ภายในหวัวใจจะไปคำนวณคำนวณได้อย่างไร มันฝึกวิสัสสยที่ว่าเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะไปคาดไปหมายว่ามันมีความหานาแน่นมากน้อยเพียงไหรมันแสดงตัวเข้ามาอยู่ได้อย่างเปิดเผยได้อย่างองอาจแจ๋หันเมื่อกําลังสติปัญญาของเรายัางไม่พอจึงต้องพยายามใช้สติปัญญาให้ดียาปล่อยวางนี่เป็นอาวุธที่สําคัญมากความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ ให้ถือเป็นติดเป็นไใจเป็นชีวิตหรเหนือชีวิตของเราเรื่องความภาคเพียรทั้งหลายจะค่อยเป็นใหม่ความพ้นจากทุกขโดยประการทั้งปวงภายในจิตใจนี้เท่านั้นเป็นความประเสริฐเลื่นโลกเป็นจุดที่โปรงบางลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติที่เคยมีมากน้อยซึ่งเราแบกหามอยู่ภายในใจิตใจหนักมาขนาดไหนจะโล่งไปหมดอะโลโกวดาตานีคือสว่าง จ้าไปหมดปอยวางได้หมดดังธรรมจากกับป ว, วัตนสูตรท่านแสดงว่าญาณังอุดรปาริปัญญาอุดรปาริวิจจะอุดรปาริอาโลโกอุดาปาริดูก่อนิสูจน์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยแต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นซะแล้วคือญาณังยานอันละเอียดแหลมคมที่สุด ได้ทราบสร้างขึ้นแล้วาภายในพระทัยของพระอษฐ์ปัญญาได้ทราบสร้างขึ้นแล้วยิจชาความรู้แจ้งแทนผลได้ทราบสร้างขึ้นแล้วอาโลภโูดาปาดุความสว่างก็จางแจ้งได้ปรากฏ ข, ขึ้นจากเป็นดวงแล้วภายในใจนี่เป็นที่นี่เป็นคือ ท, ที่ตรงวางของกองทุกข์ทั้งมวลจะดินแดนโลกธาตุก็ตามมาตรงที่ตรงนี้ ปลยวางกันที่ตรงนี้ตัดสินกันที่ตรงนี้ความเลิศประเสริฐก็มีอยู่ที่จุดนี้เพราะแต่ก่อนไม่มีคำวมะเลิศมีแต่คำว่าเรวคำว่าเรี ว, ว, วเรวพราะเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเรีวซามเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อก่อจิตดวงใดเข้าจิตดวงนั้นจึงกลายเป็นจิตที่เรีวเป็นจิตที่เหลวไหลเป็นจิตที่หลอกลวง เป็นจิตที่หาความจริงไม่ม ไ, ได้เต็มไปด้วยความจอมปลอมเพราะกิเลสหุ้มห่อด้วยความจอมปลอมของตนเต็จิตทั้งดวงจึงกลางเป็นของปลอมประจําตําหนดแสดงออกแต่ละอากัปกิริยาล้วนแล้วแต่เอาของปลอมออกโชว์กันลอกกันลอกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดให้หละทุกกิเลสต้มตุ๋นมาตั้งแต่กับใดกันไหน ท่าพระพุทเจ้ามาประกาศโกนว่าโซฮิมานันโดนิจังปัจเจตสติอั น, น ก, กาเลนะโอนณถาปิตังนะเกเรสัทธะก็โลกสัมีว่านี้เดือดร้อนไปด้วยสาราคาตัวสัมภะเผาร้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายยังเพลิดเพลินหาอะไรหัวเลาะกันหาอะไรทำไมจึงไม่แสดงไม่เสียหาที่พึ่งนี่ยขนาดนี้ก็ยังไม่ตื่นตัว ทำท่านประกาศกังวาลขึ้นมาเช่นนี้ยังไม่ตื่นตัวยังไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะเป็นเห็นโทษด้วยอะไรถ้าไม่เห็นโทษด้วยของกิเลสด้วยอับด้วยธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะหวังเอาความมิเสวพิโสมาจากไหนฟังให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาให้ดีใจเป็นของสาคัญใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่เวลานี้เร็วมากเพราะกิเลสตัวเร็วมากมันสั่งใจ ใจจึงหาความวิเศษไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ใจนี้พร้อมจะมิเสษที่สูด้วยการเรียกร้องความช่ยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเราให้จินให้ใจนักปฏิบัติเราจะไปชิดสงสัยในเนื่อมักผมนี้ถาว่าอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ไหนการเวลาใดสถานที่ใดให้ดูจุดที่กิเลสมันผิดตัวกองผิด ต, ตัวกองทุกข์ขึ้นหนอมันผิดที่ตรงไหน ราคาความกันหนักยินดีเกิดขึ้นที่ตรงไหนอืความเกลียดความทางความโกรธมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนพอใจไม่พอใจความเครียดแคงนหุ่น ม, มัวมันเกิดที่ตรงไหนให้พิ่งทราบว่ามันเกิดที่จิต ด, ดวงเดียวนี่เท่านั้นนี่แหละสิ่งที่กอควรให้ได้รับความลำบากอู่ไม่หยุดไม่ถอยตลอดวันดังคำคุอย่างหลุ่นและเอียบทต่างๆไม่มีเวละะเวลา ตรงวางจาับกุญแจไฟล์ที่เผาลนตัวเองนี้ได้เลยมันอยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นตรงพยายามแต่เพื่อปฏิบัติกจาจับมันด้วยสติปัญญาตัดทากำเพรียงของ เ, อเราลงในจุดนี้จะเป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมถ้าเป็นการเกาก็เกาถูกที่ขันยาก็เป็นขนานที่ถูกต้องสําหรับโรคที่จะทําให้สงบและหายไปได้โดยลําดับลำมา ไม่มีจุดอื่นไม่มีจุดใดไม่มีสถานที่ใดเป็นที่ระงับดับทุกข์ได้นอกจากสถานที่นี้แห่งเดียวโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงไว้อย่างพิจิตรแล้วว่ามีนี้จุดนี้แห่งเดียวขอให้จิตนี้ได้คลายตัวออกจากสิ่งที่มักหมมอยู่ภายในอันเป็นเรื่องศพกปกุกจอมตลอมทั้งหมดนออกไปโดยลำดับเถอย จิตจะเริ่มแสดงความจริงขึ้นมาตามธรรมของจริงที่ไม่เคยปลอมมาแต่การไหนๆใเวลาที่ตัวของเราปลอมทั้งตัวจิตข้งเราปลอมทั้งดวงปลอมพอเพราะกิเลสตัวปลอมนั้นมันทำให้ปลอมต่างหากไม่ใช่จิตปลอมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแต่มีสิ่งที่มาเทือบมาแสงทำให้ปลอมทำให้รุ่มให้ร้อนถ้าแต่ ต, ตาจริงๆก็เอาความรืนม่นเรงมันถึงมาลอสักนิดนนิดหนึ่ง พอให้มีลมหายใจต่อไปแล้วจากนั้นก็อายาพิษฝังเข้าไปฝังเข้าไปถ้าถึงขั้นสรรถลายจะตายจริงก็มีอะไรมารอดสักนิดหนึ่งหลอกไฟ ห, หลอกไฟ อ, อย่างนั้นเลยนี่คือกลมายาของกิเลสอุบายวิธีการของกิเดสแหลมคมขนาดนี้ให้ทำทั้งหลายจงพิจารณาให้ถึงใจเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป้นแต่ยังว่าเราไม่ทราบอุบายวิธีการของหมันว่ามีความจเจือดฉลาดแหลมคมเพียงไรจึงได้ครอบหั้อใจเร เราไม่เคยเห็นโทษของมันมันแสดงอาการต้มตุน๋นอาการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาขึ้นชี่ว่าทีเล็บไม่มีอะไรเป็นความจริงที่จะยึดถือไว้ได้เลยนอกจากปลอมล้นล้วนมีธรรมเท่านั้นเป็นเพื่องพิสูจน์ทั้งการแรนะนําสั่งสอนคำพูดสื่อสารทั้งวิธีการที่เรานำไประพุทธปฏิบัติเพื่อกำจัดที่เล็เป็นความถูกต้องดีงาม เ, เป็นของจริงประโดยลาดับยกตัวอย่างเช่นร่างกาย เรียดมันเสกมันสัมตั้ยอขึ้นว่าเป็นของสวยของงามเป็นขอ ง, งน่ารักใครชอบใจเป็นเราเป็นของเราทุกทุกประโยคที่พูดขึ้นมานี้ทุกๆอาการที่ไปอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นไปได้อย่างนั้นไหมว่ามันสวยงามไหมเแล้วพิจารณาเพียงชิ้นใดเท่านั้นในส่วนนั้นการนี้ก็ทราบว่ามันขัดกันกันกบคําที่ว่าสวยงามกับคําที่ว่ า, า, า ว, น, วาน่ารักใคร่ชอบใจเป็นไหนไหน เมื่อทําสอดแทระเข้าไปดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงขี่เหงือที่ใครเต็มไปหมดที่นั้นเป็นของอดีแล้วเหรอมันเต็มหมดทั้งตัวผิวหนังก็เต็มไปด้วยขี้เหงือะขี้ใครแล้วถลกออกดูซิหนังภายในนั้นพีกออกมาข้างนอกเป็นยังไงมันเปลี่ยนสภาพไปถึงไหนแล้วคนทั้งคนที่ว่าสวยว่างามนั้นพอาะถลอกหนัง พลิกข้างนอกออกมาข้างในแล้วปิดไว้ตามเดิมมันก็าตามเราดูได้ไหมนี่เอาธรรมเข้าไปจับี่คำว่าสวยงามมันเป็นยังไงสวยงามมันเอาธรรมจับเข้าไปมันสวยงามได้ที่ไหนแล้วยิ่งดูเข้าไปในเข้าไปลึกเท่าไหร่ที่มันจอมปลอมหลอกลวงไว้นั้นมากเป็นของสวยงามมันยิ่งเยิ้มไปด้วยควขขามปฏิปุ่โสโคกตามนับความจริงทั้งหมดเมื่อจิต ของเราได้อย่างลงไปสู่ความจริงด้วยปัญญาแล้วมันจะทนยึดมั่นถือมั่นสําคัญตนไปตามที่เดลดได้อยู่ได้ยังไงมันต้องถอนตัวออกมาว่าถูกหลอกถูกลวงถูกต้ ม, ถ, ตมถูกตุนมานานแล้วคราวนี้ได้ทราบความจริงกันแล้วหาความเป็นจริงบังที่กิเลสเสกสัมปันธยอนั้นไม่มีเลยในอะไรทุกส่วน หมดทั้งน่าง น, นี้เต็มไปได้วยของปฏิกูลโสโครเป็นเต็มไปได้วยปชาช้าผีดิกทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ตายก็เหม็นคลุ้งอยู่ภายในตัวนั่นอยู่แล้วจึงต้องช้าต้องล้างต้องอาบต้องสงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จะสะอาดสะอานอย่างไหนก็ตามเมือ่อร่างกายนี้ได้คลุกเค้ากับสิ่งนั้นนั้นแล้วจะกลายเป็นของโสขปวกโสโครกไปหมดไม่ ว, ว่าที่อยู่เที่ยสัยกระบงกีวอดเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะต้องได้ช้าได้ล้าง ไป ห, หมดเพราะส่วนใหญ่นี้พาสกรปรกเรายังไม่ทราบว่าตัวนี้คือตัวสกรปรกโลกมลอมอยู่เลยปัญญาอย่างตรงไปนักปฏิบัติยาถอยจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นตรงที่กองทับใหญ่ของกิเลสมันมีอยู่ที่นด้วยและแปรทับกลับอยู่แล้วกองทับใหญ่ทับผิดทั้งเราอยู่ที่นี่ด้วยมันผิดขึ้นมามากน้อยเพียงไหรมันก็เป็นกองทุกทับหัวใจของเราอยู่นีตัวกิเลสจริงๆนั่นเรียกว่าเป็นกองทับเป็นผู้ผิด เมื่อิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระหนักทับหัวใจลงไปด้วยความทุกข์ความทรมารเป็นของดีเราหรือเรายังไม่เฉ็ยดไม่นาบหรือเรื่องความความทุกข์ที่เป็นขึ้นมานอกจากนั้นใจยังไม่ถูกกดขี่บังคับด้วยมาไม่มีเวลาที่จะปิดเครื่องตนเองจากสิ่งกดขี่บังคับนี้ได้เลยถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วจะหาวันหลุดพ้นจากทุกข์เป็นอิสระได้ดีและเป็นความประเสริฐ หมดเรื่องหมดราวหมดกังวลทุกสิ่นทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกฐ า, านี้ได้สิ้นสุดยิติการลงแล้วที่จิตดวงบริสุทธิ์พุทโธนี้เราจะได้เห็นที่ตรงไหนถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปฉายวิริยะธรรมฉายลงตายความภาพเพียนอย่าถอยพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะความเพีย้ยนไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความที่เกลียดชี้แค้นอ่อนแอพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ด้วยความอดความทนความบึกบุญตัวเอง พระพุทธเจ้าและสาวกท่านพ้นทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความพากเพียรทุกแง่ทุกมุมกลางวนข้ามเป็นเรื่องของกิเลสยามาให้สนิทติดใจสังจมอยู่ทางในตัวเองแล้วจะกดขีดตัวเองลงไปฮาร์ดความบุญพ้นไม่ได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าพ้นอย่างไรท่านสอนเมื่ออย่างไรการยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วาเป็นกันนะให้ยึดตามหลักธรรมนั้นเป็นสําคัญหลักธรรมนั้นแหละจะเป็นองค์แทนของสากลดาโดยไม่ต้องสงสัยผายในจิตของเรานี่แหละ <c oughs> ทั้งสาเหตุคือการนั่งเงินก็เหมือนกับเราเหยียบย่างตามรอยพระบาทของพระองค์ไปผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็เหมือนกับจัดชายีวอนของพระองค์นั่นแหละจนกระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นประภะกฏเป็นที่ตรงไหนอะไรเป็นประภะกฏอะไรเป็นาศาสดาอะไรเป็นผู้วิเศษจะหมดปัญหาลงในจิตดวงที่ปรากฏขึ้นกับเรานั้นทันทีไม่มีคำว่าการสถานที่ของพระเจ้าสระพุท พระนิพพานอยู่ที่โน่นที่นี่เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนอันเป็นเรื่องของสมุดความจริงแท้ๆเป็นธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เหมือนกันนี้ไม่มีอะไรสงสัยเราจะสงสัยพุทธเจ้าที่ไหนนราจะองคิดไปสอบเสาะหาที่นั่งที่นี่ที่เกิดที่ตายที่ให้ความสุขความสบายที่ตรงไหนอีกเมื่อจิตนี้เข้าถึงขั้นพอตัวเต็มภูมิแล้วย่อมอิ่มตัวหมด ความกังวลวุ่นวายสาวใสต่างๆที่เคยเป็นมาหมดลงโดยสิน้นเชิงที่ตรงนี้อย่างนีก้ก็เมืองผอเมื่อจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วยอ่อมพอนสนใ จ, จกับสิ่งใดๆทั้งนั้นวันคืนมืดแจ้งเป็นเรื่องของสมมติเราไปว่ามันมืดมันแจ้งตัวมืดเองมันไม่เห็ น, นเลยรู้เรื่องของมันตัวแจ้งตัวสว่างมันเห็นเลยรู้เรื่องของของมันสถานที่กาลเวลามันไม่เห็นมีความหมายในตัวมันเราไปความหมายเราก็หลงความหมายของเราเท่านั้นเอง เมื่อทราบทั้งสิ่งเหล่านั้นทราบทั้งผู้ประยความหมายอย่างชัดเจน ร, รอบตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรไเข้ามาเกี่ยวข้องจิดมีจิตอยู่บริสุทธิ์พอตัวเดี่ยวๆอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่บนดินฟ้าอากาศในน้าบนบกที่ไหนมันเป็นธรรมชาติที่พอตัวที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่สายไม่ใช่บนบกไม่ใช่ในน้ําไม่ใช่สิ่งสมมติทั้งมวล แต่เป็นธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติแห่งความพอตัวแห่งความบริสุทธิ์แห่งความประเสริที่ผิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งสามแดนโลกฐาตนนี้นะเอาพี่น้องเห็นที่นักปฏิบัติทำไมจะมารูให้ไม่เห็นทำ ม, มีอ ย, มมอยู่วิธีการแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้มีอยู่นาเนินไปปฏิบัติตายคือว่าจาพูดแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่เนีรยไม่ได้ลุกลูบคำค ำ, คำที่ไหนไมีตนมีตัวมีสักขีพยาน ทุกขังอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งชุบุทรายอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งในสายผูกมัดมัดฆอริยสัจจังสายแก้สายถอดสายถอนก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งนิโรธความดับทุกดับที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสักขีพยานได้อย่างเต็มตัวดับสนิทก็เป็นสักขีพยามได้อย่างสนิทในความหลุดพ้น เขาให้ยืมให้จ่ายยาปเห็นงานใดมากมีความสําคัญมากขึ้นกว่างานทะเกียกตะกายจนให้หลุดพ้นจากทุกงานนี้เป็นงานสําคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเลือดงานก็ะสืดงานอัปยกรรแต่สามโลกไม่อยากทํากันเพราะกิเลสไม่ให้ทํากิเลสกีดกันไม่หมดกิเลสมันหลอกมันลวงมันทุกแง่ทุ ก, ทกมุมที่ใช้ท้าจะทํา ไปสู่อำนาจของมันตามเดิมที่เคยปกครองมาแล้วด้วยเหตุนี้ผู้ผประจบทีบัติธรรมจึงต้องไดรลบลากันกับจิเลศความขี้เกียจที่ค้านก็เป็นจิเลศความทอดแท้อดแอลก็เป็นจิเลศความน้อยเนื้อต่าใจว่ามีว่าสนาน้อยก็เป็นเรื่องของจิเลศไม่มีว่าสนาก็เป็นเรื่องของจิเลศความสำคัญว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ข้างโน้นข้างนี้ข้างนี้มีแต่ข้างโน้นข้างโน้น ทั้งนี้ไม่มีก็เรื่องของกิเลสเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราเป็นผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลสก็คือเป็นกลมายาของกิเลสให้พุทโธกันทราบเดี๋ยวนี้เรานี้เป็นอุบาสของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบกลของมันมันอยู่ข้างหลังเลาตาเรามองไปข้างหน้าเราเราไม่ได้มองย้อนหลังเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญามองย้อนหลังสติปัญญานี้ไปข้างหน้าก็ได้ย้อนหลังก็ได้เอาให้มันทันกับกลมายาของกิเลสเราจะได้เห็นเรื่องของมัน แล้วฟัดกันลงให้มันหายท้องขึ้นฟ้าดูสิมันมีแต่มันเอาเราหายท้องขึ้นฟ้าเอไม่หงายขึ้นฟ้ายัางไงล้มลงหมอนดังคืนคืนดีไม่นีหมอนแต่แล้วเอาท้องไปไหนถ้าไม่หายขึ้นฟ้านั้นละที่เหลือมันฟัดเอาที่เกียบขี้คร่นนอนทั้งคืนก็ไม่อิ่มพอถ้าไม่หิวไม่อยากจะลุกจะตื่นขึ้นมาพอใจในการหลับการนอนพอใจในจมอยู่ในการต้มถึงของที่เด็ก กรอมมาโดยลําดับนำดับมีวันไหนเวลาใดที่เรามีความเบื่อหน่ายมีความรู้คนอุบ า, ขา ท, ข, ทนนอบาของมันและเข็ดหลับไม่เลวไม่ทําคนให้เข็ดในคนอุบาทของมันง่ายๆนอกจากทำเทรานั้นเข้าไปแทกจึงจะเป็นคู่แข่งกันแล้วปราบคนได้โดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นท่าสึดกเป็นมารของกันและกันต่อสู้กันมีเวลานี้อยู่ที่ใจของเราคําว่ามาร ก, ก็คือกิเลสอยู่ที่ใจของเราธรรมก็เป็นสิ่งที่เราจะผึดขึ้นได้ที่ใจของเราเอาผดขึ้นมา พระพุทธเจ้าทำไมผิดธรรมขึ้นมาได้สอนทําเพื่อผิดธรรมท่านสอนไม่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อผิดธรรมถึงได้ทําทไมจะผิดไม่ได้เราปฏิบัติตัวของเราไม่ได้เราจะหวังพึ่งผู้ใดให้เป็นผู้ปฏิบัติแทนเราอัตตาห็ปนปุนาโถถึงข้าวจนกรอกอราให้เต็อเมอัเป็นธรรมเต็มขุมสติปัญญาสตภาพมเพลียงของเราเราจะได้เห็นผลแห่งอัตตาห็นุโนนาโถว่าตนเป็นที่พึ่งของตอนนั้นพึ่งอย่างนี้นั่นน่นรู้ เวลาเข้าจนกอกจนมุมแล้วไม่ต้องไปคิดหาผู้ใดแล้วจะมาช่วยเราต่อตีปัญญามีเท่าไหรก็คัดกันลงไปฟับกันลงไปมันนะ่ะเป็นพระเองคนเราเมื่อถึงตายจนกรอกแล้วไม่ใช่จะยอมจนตายหยีเฉยยอมจนกรอกเฉยมันนักมีอุบายวิธีที่จะคิดจะค้นจะลบหีกปีดตัวเอาจนตัวรอดไปได้อคำว่าอัตตินโนลาโถให้นํามาใช้ครูบาอาจารย์เป็ น, นตันาาวทแทนผู้แนะแนวทางให้สนอง พระพุทธเจ้าทา่านกล่าวไว้ว่าตุ้มแห่งจิตจังอาตัดตังอาขาตาโลตาถาตาตาความเพียรที่จะยังกิเลสให้เหงือดแห้งไปภายในจิตใจนั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายจึงต้องทํทาทเองพรนะพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ เ, เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ผู้แก้กิเลสให้ท่านทั้งหลายนี่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าประกาศตังวานอยู่กับหวัวใจของเราด้วยธรรมบทนี้ห่างไกลที่ไหนกับเราธรรมบทนี้กับเราห่างกันที่ไหน ทำไมจึงว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปไหนมาไหนพระโอวาทองแทนสัสดามีอยู่กลางลานอยู่กับหัวใจของเราทำไมจึงไม่นำมาแก้ที่เดชแล้วกิเลสมันห่างไกลไปที่ไหนกิเลสในครั้งปุตตะกลางาเป็นกิเลสตระเภทใดหน้าใดวันณะใดเกิดมาจากสกุลใดมันเกิดมาจากสกุลของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสอันใดแสดงออกมามันเหยียบย่ําทำลายหัวใจให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสงสาหัสเหมือนกันหมด จงประสงค์ใส่อะไรที่เด็กทั้งนั้นกับทังนี้ว่าจะแตกต่างกันในวิธีการที่จะภาวนานสับโรกให้มีความทุกข์ความนั้นบ้างไม่มีอะไรต่างกันเหมือนกันหมดมทีนี้การปิดธรรมเข้าสู่ใจเราจะไปหาการสถานที่ที่ไหนธรรมก็มีอยู่ที่ใจมีพระพุทธเจ้าประกาศตังวนันไว้ภายในใจของเรานี่ทุกคนมีประจําอยู่ที่ใจวิริยยะทุกขมัเตเยติคนจะหลุดพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นใครเป็นคนแสดงไว้แล้วใครเป็นผู้รับทราบใครเป็นภาชนะ ทีจะรับธรรมะเหล่านี้ไว้ถ้าไม่ใช่ใจของเราเองตงัวของเราเองแล้วห่างไกลที่ตรงไหนพิจารณาเลยสติปัญญาเกิดที่ไหนถ้าไม้เกิดที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดที่ไหนสอนให้ใครเป็นผู้บำเพ็ญเราเป็นผู้บำเพ็ญเพราะเราเป็นผู้ติดทุกข์ทุกข์เป็นผู้เหยียบย่ำทําลายเราเราจะแก้ทุกข์ด้วยสติปัญญาสตางค์เปล่ของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้ไกลที่ไหนที่เลีฝังอยู่ที่นี่ทำก็เกิดขึ้นที่นี่ได้ ทีเลยกระทำไ ม, ม่ได้อยู่ห่างไกลกันกากจิตดวงเดียวนี้จิตดวงเดียนี้เป็นที่รับทั้งทำทั้งแก่ถึงพยายามทายนาฝ่ายมากมาทายในสัจธรรมนั้นฝ่ายมากก็มีสองฝ่ายแก่มีสองที่นี่รุ่ดมากมีเป็นฝ่ายแก่ฝ่ายถอดฝ่ายถอนชาวปราปรามมีเป็นเรื่องของมากทุกสมุทัยเป็นเรื่องของสเสด็จเป็นเพื่อผูกมากก่อให้เกิดในวัถฏทงสารไม่มีประมาณส่วนนีโรุ่ดกับมากที้ เป็นสิ่งที่ขี่คลายขยายออกมัดแน่นเท่าไรถอดถอนแก้ไขเอาให้หมดไม่มีอะไรเหลือพันในใอยู่ที่ใจตรงนี้เท่านั้นอันนี้สัจจะทําคือของจริงเอาให้จริงยาได้คำนึงคำนวณถึงไม่ต้งเวล า, เ, วลาเดือนปีนาทีโมงที่ไหนนิเลสมันเหยียบหัวใจเรามันไม่มีไม่ต้องเวลามันหาเวลาถ้าเวลาสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้ชาติหน้าชันนี้ที่ไหน เวลาเราหากิเลสดูเราไม่เห็นว่าเป็นเราไม่ได้คิดว่ามันหนักขนาดไหนบางเวลาจะประกอบความภาคเพียรทำไมเห็นว่าเป็นหนักหนะเป็นความลําบากลําบนนี่ก็แพ้คนมายัางกิเลส <c oughs> ผู้ปฏิบัติไม่ทราบเรื่องคนมายัางกิเลสนี้แล้วจะก้าไม่ออกต้องเอาให้กินให้จับเหือนสรุปความนั้นก็คือว่ารูปักขั้นโทเวทนัขั้นโทขั้งหนักขั้นโ ท, นนโทเป็นสำคัญนี่เป็นที่ส่้งสมของกิเลสทั้งมวลร่วมอยู่ที่ตรงนี้ รูปเวทนาสมยาสังขารนิ่งอย่างแล้วก็ติตจิดเป็นตัวการสำคัญองค์พิจารณาลงตรงนี้การพิจารณาขันไหนก็ตามขอให้เป็นมรรคเป็นพิธีถอดพิธีถอนเถิดพิจารณารูปหญิงรูปชายรูปจักรูปบุคคลได้ทั้งนั้นขอให้เป็นอุบายของศติปัญญาเพื่อถอดถอนอความมึนงงของตนเป็นอนัมไม่ผิดแล้อยากให้หมู่เพื่อนรู้ให้หมู่เพื่อนเห็นซ้อนอะไรซ้อนอะ่ะ ถึงเหตุถึงผลถึงคิปถึงสิ่งสอนตเต็มทัศน์ที่กลังความสามารถแม้จะลําบากลำบนหรือสุขภาพไม่ดีก็ความห่วงใยงหนูเพื่อนของสามหมูเพื่อนไม่เคยลดละไม่เคยด้อยลงไปาําสุขภาพไม่ดีนั่นหลยเพราะฉะั้นเมื่อได้โอกาสเมื่อไหร่พอเห็นยอดสมควรที่จะแนะนําต่างสอนที่อบรมกันไปได้แล้วต้องพยายามไม่โดละผมกับว่าได้รับหนเูเพื่อนไว้เพื่อการอบรมการสอนเราเห็นใจของหมู่เพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้ว ที่สอบแสดง้าครูหาอาจารย์ที่แทบล้มแทบตายที่จะได้ครูบาอาจารย์เป็นที่ถ <tes> ึงจิตถึงใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่เคารพ่อมใสเป็นที่ไว้ใจตายใจได้เราจนกลายเป็นนักล่าอาจารย์ไปนี่แล้วก็เห็นใจปัญหาที่ยึดที่ก่อนนี้เป็นของสําคัญใจไม่ได้เกาะอะไรเป็นผู้มีต่อทำแล้วต้องเกาะครูกาะอาจารย์ก็อาจกาะทาที่ถูกต้องในงามแล้วใครที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องในงามพอเป็นที่แน่ใจได้นี่เป็นสําคัญ ยังต้องสอบแสดงหายิปจะได้ดวงมีคุณค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมากน้อยก่อนเดี๋ยทนเอารับเอาไว้หากว่าไม่ได้อยู่ในสำนักก็ให้ได้มาพักอบรมขั้วการชั่วเวลาแล้วถ่านไปได้คติตัวอย่างที่เคยแนะนำสั่งสอนด้วยจากหนูจากเพื่อนจากผู้ใดก็ตามอันเป็นความดีชอดีดีงามแล้วเราพิสปฏิบัติเพื่อเป็นทางเดินเพื่อเป็นเครื่องมือถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนได้รับหนึู่เพื่อนร้อยเสมอการรับไว้รับโดยน้ำใจเพราะฉะ้น ความรับไม้จึงมีความหมายันหนักอยู่มากต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายส่วนที่รับไม้นั้นโดยสม่ำเสมอหากว่าถ้าขันพอเป็นไปได้ไม่เคยละไปแต่บางตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านขอให้มูเพื่อนหนึ่งตงเห็นใจตัวเองมามุ่งมาศึกษาอบรมกับคุณาอาจารย์ท่านสอนยังไงให้นําไปปฏิบัติอยากทำแล้หล่อแหลกเลยเลยว่หลายอันเรื่องของเสด็จทั้งหมดไม่ใช่เรื่องทำของจริงที่จะพาเราให้อยู่พ้นไปได้ ทำอันใดเป็นของจริงที่จะพาให้หลุดพ้นให้พยายามหนักเบาไม่ต้องว่าอืมเราจมีในกองทุกนี้มานานขนาดไหนแล้วความทุกข์เพราะการเพราะความเข้เพียรนี้จะไปถึงไหนทุกอันนี้ยังมีวันดุติได้เหมือถึงการเวลาที่มันชนะกันแล้วความทุกข์เพราะความเข้เพียรนี้ก็หมดปัญหาไปเลยกลายเป็นปุ๋ยสนับสนุนความรั ข้าเพียรในกระดับสมุนลให้ดุจพ้นแต่ได้เพราะอํานาจแห่งความเพียนพร้อมอำนาจแความทุกข์เหลนี้ทุกในวัฏจักสารมันอุดหนุนเราให้เป็นุงามความดีให้ได้ดุจพ้นจากทุกที่ตรงไหนแต่ลราทำไมจึงไปชอบเราทำไมจึงจึงไปตาใจกับความทุกข์เหล่านี้ที่ขีเดืดมันผิดขึ้นมานั้นอันมัหนาไม่ยอมเห็นโทษเันแม้แต่นิดเดียวเลยแต่เวลาเราประกอบความท้าเพียรทำไมจึงให้ขี้เดือมันหลอกได้ว่ามันทุกข์มันยากมนลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ังที่กล่าวมาแล้วอํานาจน้อยระดับหนาอ่อนสติปัญญาไม่มีนี่มันหลอกกันทั ยังจะยอมให้มันกล่อมอยู่เหลือเปลาอันทาําทำกรรมวานตลอดเวลาภายในหัวใจของเราที่ครูบาอาจารย์แล้วเราได้เยินได้ยืนได้่ังมาทำไมจึงไม่สแสดงตัวขึ้นมาบ้างเพื่อต่อสู้ต้านทานการเด็จถ้มันหมอบราบไปบ้างอย่างน้อยควหนังทลอะ ก, ก็ยังดีทาวนี้หนังทลอดาะทาต่อไปเลือดเดิมข้าวต่อไปอ้าวขาดสะพั่นไปเลยเดินดําไ ด, ำดำ้เหมือนนะักเข้าไปอยู่เหมือนนั้นบรรลัยไม่มีเหลือภายในใจนั่นแหละทรงอับทรงธรรเป็นเมตเป็นหนุ่เต็มที่เต็มฐานอยู่ไหนอยู่เถอะ ตาเมื่อไรก็ไม่เห็นมีคํามคัญอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายปเป็นเรื่องของสมุติธรรมชาติที่บริสุทธิพูทโทธแล้วไม่มีคมาําว่าเกิดว่าตายเหมือนในโลกสมุทรทั่วาละหมดปัญหาหมดขันที่หนึห่งขอให้ทุกท่านนำมาพิจารึ์ปฏิบัติกำจัดตนจากสิ่งที่นี้บีบบังคับทั้งหลายยาไปคุ้นกระถือแบบนี้แค่ใช่จะคุ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คุ้นผู้พิเศษไม่ได้สอนให้คุ้นผู้ฉลาดไม่ได้สอนให้คุ้นคนโง่ต่างหากหลอกลวงกันไปตามโยธากรมมืดบอด เพราะมัมองไม่เห็นก็ไม่ทราบจะเอาของดีของดีอะไรมาสอนกันครั้ น, นี้ตงจะเอาเรื่องความโง่เขลาบปญญาปตดาความติดจมอย่างกิเลสนี่มาพูดมาหลอกมารวงกันอันนั้นดีอันนี้ดีหลอกกันต่างคนต่างหลอกมันต่างคนต่างมืดบอดมันก็หลอกกันด้วยความมืดบอดนั่นตนศาสดามีอยู่ให้เอ า, าศาสดาเข้ามาเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้ชีาา้แนวทางมาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวพูดทางคำมั่งนางกกานี้เล่ยอัดทำนิ้นไหนให้ดีเราไปปฏิบัตินี่แหละเป็นความไม่หลอกเราอยู่ด้วยกับด้วยความ หลอกคนมาย้อนกิเลสมันอยู่มานานแนะใครๆก็อยู่มานานไม่น่าสงสัยนอกจากเราจะพยายามถ้าเกี่ยนตะกาให้เล็ดลอดออกไปได้จากบ่วงแห่งมันเสียเท่าไหร่เราจะมีความผาสุกความว่าความทุกค์นนความทะมาณในการต้องขอความเพียรก็ขาดาก็บรรลุจันที ท, นที่ขณะที่กิเลสมันขาดก็บ้านนอนใจทุกข์ทุกเพื่อเพื่อความเพียรทุกเพื่อแค่กิเลสเป็นไม่ไปทุกเพราะกิเลสมันก็เคยทุกมาแล้ว นี่จะเอาทุกเพื่อแก้กิเลดจะเป็นอะไรไปทั้งเอาอย่างนี้ค่อยสู้กันสติปัญญามีพลิ้แกพลงเปลี่ยนแปงแก้ไขตัวเองนี่ี่เด็ดมันหลอกมาตรงไหนอืมมันหวานล้อมมาทางไหนเพลงของมันกล่อบ ม, มาอย่างไรเพลงของทํากล่อมมันให้แหลกไปเหมือนกันใั้มันหลับสนิทตายจมสมมุติอย่างนี้แล้วพ้นจากสมมุติไปไม่ดีเหลอนั่นอุบายของผู้ฉลาดที่จะหลุดพ้นต้องใช้นำมาใช้โดยมสม่ำเสมอสติปัญญาเป็นสําคัญยาลืมความนี้ อยากคอยไปน้อมเวลาว่าให้สมาธิเป็นเห่างนั้นนี่ซะก่อนนะคอยพิจารณาปัญญาควรจะพิจารณาปัร ญ, ญามันละอ้าวถึงขังน้นจะควรพิจารณาหรือผู้มีจิตอันสงบได้บาตรในฐานพอเป็นความอิ่มตัวของใจแล้วอ่านํามาพิจารณาแยแยะดูข้างนอกข้างในเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอสุภอสุพันธ์ตระกูลโสโคกเป็นของสําคัญมากเอาให้แหลกละเอียดให้เป็นสนามล บ, บอยู่ตรงนั้นไลยเป็นเวทีมวยกันเลยเอาให้มันแหลกอยู่ตรงนั้นและจิตที่เคยกังวลวุ่นวายกับ ย่อคิดเด็ดปัญหาราคาอะไรแบบนี้มนันจะสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเพราะหน้าแขาา่งอัุฉระางซึ่งปัญญาอันวิเศษเนี่ยเป็นผู้กำจัดป่าเต่าลมไปเดินแบบจะไร่ตั่งหมดไปโดยสิ้นชนอบต่อไปนี้เป็นปัญญาด้าื่นะ